ถ้าเกิดว่าน้องนั้นมีใจกระโยงนซ้ายหนึ่งทีน่อยากจะได้ความรักดีๆยกขวาอีกทีละกันอยู่ Dancing on the f l o w เห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม่กันละยาอยากสารส้างสัมพันธ์เรามารักกันได้หรือเปล่า ที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวหรือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวถึงได้ตามมาตือนยอมรับได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกใหที่ซีหนหูทำใจให้กันเพิ่งเคยว่าน้องนั้นมีใจเคยกทางซ้ายหนึ่งที่เธอยากจะได้ความรักทีดีดยกควายอีกีลักกัน y โยด dancing on the f l o w เห็นแล้วมันขึ้น so ร n e แม้กัลายาอยากสาร้างความพันธ์เรามารักกันได้หรือเปลา่าที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชือ่อ เรื่องแค่ข่าวหรือแปลว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นันเลี้ยวถึงได้ตามมาตื้อยอมรับรั็ได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกที่ซีนูทำํำใจให้กันก็ไม่ได้หล่อไม่ได้รวยไม่ได้มาอวยให้เธอสนใจก็แค่ผู้ชายธรรมดาไม่มีบัตรโตรถโก้มากมายช่วยบอกได้ไหมต้องทํำยังไงถึงจะได้ใจน้องนางมาครองหกกันและ ย, ยาเมลเลือทอง เธอช่างหน้ามองมาอยากละสายตาเวลาเธอยิ้มมันช่างสะปดใจขอเฟซไลายได้ไหมพี่อยากจะพูดจ้ามาชนแกวกับพี่สักที่แม่ ก, กันแลอยาเห็นเธอยกย้ายเล่นหูเล่นตาพี่แทบจะเป็นบาตา น, น้องนั้นมีใจก็ยกท้งซ้ายหนึ่งที่ เธออยากจะได้ความรักที่ดียกควายทีละกันโดยดิสซิ n งออนเดอะโฟล์วเห็นแล้วมันขึ้นสวรรค์แม้กันแลยาอยากสางสัมพันธ์เรามารักกันได้หรือเปลา่าที่เขาบอกว่าผีเป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวหรือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวจึงได้ตามมาตื้อยอมรั บ, บ, บได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยกที่สีหนูทำใจให้การเธอเลยว่าน้องนั้นมีใจก็ยกถึงซ้ายหนึ่งที่เธอยากจะได้ความรักที่ดียกควาย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 ใครมาจากไหนไม่ต้องบอกรู้ไหมว่าพี่โคตรทุกใจไม่ได้หลอกชอบเธอมากมายไม่ทนใจอยังที่บอกพี่นี่คงชอทถ้าน้องบอกไม่สนกันก็เวลาเธอ on the f l o โฟล้งมนันเชิงเชิดใช้อร่าเธอเป่งปาตายหัวใจจะวายแล้วพี่คนนี้เขาอาจจะมีเงินทองแล้วเอามากองให้น้องตรงเนี้ตัวพี่มีแค่รักดีๆที่พร้อมจะมีกันและก เธอเกว่าน้องนั้นมีใจก็ยกทางซ้ายหนึ่งที่เธอยากจะได้ผมรักทีท่ดียกวคว้าอีกทีละกันโยดแตนซิ่งออนเดอะโฟล์เห็นแล้วมันขึ้นสวัสดีแม่กันเลยยาอยากสางสัมพันธ์เรามารักกันได้หรือเปลา่าที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวจึงได้ตามมาเตือนยอมรับก็ได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ลงที่สิซีหนูทมีใจให้การเธอเกิว่าน้องนั้นมีใจ ทางสายหนึ่งที่เธอยากจะได้ผวามรักดีๆยกควายขออี่ลักกันยกแดนซิ n งอ n นเดอะโฟลว์เห็นแล้วมันขึ้นสวัสดีแม้กัรระยะยากส์ฟ้าน้ำพันธ์เรามารักกันได้หรือเปลา่าที่เขาบอกว่าพี่เป็นเสือเธอไม่ต้องเชื่อแค่ข่าวลือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นันเลี้ยวถึงได้ตามมาตื้งยอมรับกบ็บได้แต่ก่อนเจ้าชูพอได้เจอหนูมันต้องการแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกให้รู้ยงที่ซีนูทําใจให้กัน World Oh, oh, oh.